ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนออิทธสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยความคิดเห็นของพวกอัญญาดิรรกีพวกปริพาชกพวกนักบวชต่างๆที่มีการแสดงความคิดเห็นของตนแล้วก็ขัดแย้งกับบุคคลอื่น คือเป็นการยืนยันว่าความเห็นของตนนั้นถูกต้องแต่ความเห็นของบุคคลอื่นไม่ถูกต้องทั้งฟังอย่าสังเกตว่าเราเคยพูดประศุในลักษณะนี้มาก่อนแต่ประสู ต, ตอนนั้นเป็นการพูดเฉพาะโลกแต่ว่ากลุ่มนี้ทายทั้งตนในโลกหมายความว่า มีความเห็นมีความยึดถือเข้าใจว่าตนในโลกเชี่ยงหรือว่าตนในโลกไม่เจี่ยงที่นี้คำว่าตนนั้นโดยความเชื่อถือที่ก็สืบต่อกันมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็คงจะนานหลายพันปีเหมือนกัน ก็ถือว่าชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยเป็นหน่วยย่อยที่แบ่งตัวเองออกมาจากปรมาตามันแล้วก็บางยุค ก, ก็เรียกว่าอาตตมันหรือมหัตตมันบางยุค ก, ก, ก, ก, ก, ก็เรียกว่าพระมมันแล้วก็บางยุคก็เรียกว่าพระผุมก็ใกล้ๆจะเป็นที่รวมของวิญญาณทั้งหลาย และในสุดก็แยกตัวเองมาเป็นชีวิตต่างๆในโลกนี้แล้วก็ถือว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวตนตัวเนี้ยจะกลับไปอยู่รวมกับสิ่งสูงสุดเรียกว่ามห ah ัตต ah มันบ้างประมหาตมันบ้างพรหมมันบ้างพระพรหมบ้างหรือว่าเรียกชื่ออย่างอื่นแล้วก็พัฒนาความคิดเหล่าเนี้ยในที่สุดก็ออกมาเป็นรูปของศาสนาเทพเจ้า มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างสูงสุดแล้วก็มีการอธิบายตัวตนออกไปในลักษณะต่างๆเปนน็นมากจนบางอย่างมันเข้าใจยากเช่นท่านแบ่งเป็นตัวตนออกไปเป็นยี่สิบพูดในประเด็นเดียวกันเช่นว่ารูปเนี่ยอาจจะตนเป็นรูป หรือรูปเป็นตนหรือตนมีอยู่ในรูปหรือรูปมีอยู่ในตนก็กลายเป็นสี่เรื่องแล้วก็เห็นเวทนาทัญญาทังขานวิญญาณในลักษณะอย่างนั้นด้วยก็สี่คูณห้าก็กลายเป็นยี่สิบเรียกว่าเป็นสักกายะทิฏฐิคือความเห็นที่เป็นตัวเป็นตนในยี่สิบเรื่องก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ คนที่จะละความเห็นเหล่านี้ได้เนี่ยต้องนับตั้งแต่ปะโสดาบันขึ้นไปทําไมอย่างนั้นเราก็ยึดติดอย่างนั้นแหละแต่ว่าถามจริงๆว่าที่คุณเข้าใจเป็นตัวตนเนี่ยตัวตนนั้นคืออะไรแล้วตนกัวรูปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงไม่เกี่ยวข้องกันยังไงมาถึงตัวนี้เลยอธิบายกันกันยุ่งไปหมด ในขณะเดียวกันก็ไปพูดถึงเรื่องโลกทีนโลกเนี่ยโดยรูปวิเคราะห์นี่แปลว่ารุจจิตีปิโลกโกสิ่งใดย่อมแตกทำลายไปสิ่งนั้นเรียกว่าโลกเวลานิยามเนี่ยมันครอบคุมครอบคุมสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วในสุดต้องแตกทำลายไปก็วรวมเรียกว่าโลกหมด ผลสังขานทั้งหลายก็เรียกว่าโลกเราเรียกว่าสังขารโลกผู้สัตว์ก็เรียกว่าสัตวโลกและสัตวโลกก็ยังย่อยออกไปอีกยังย่อยเป็นมนุษยโลกเป็นเทวโลกเป็นพรมโลกคือหมายความถ้าย่อยในลักษณะนี้ตัวอายไม่ได้ติดอยู่นะ อาบายก็สงเคราะห์เข้าใหม่พวกสัตว์ตัวโลกประเภทมนุษย์คือแค่ๆค่เทวโลกเี่บางทีมันมีพรหมโลกก็แสดงว่าในที่นี้ก็หมายความว่าพรหมโลกก็คือเทวโลกเขาเรียกว่าเป็นการสงเคราะห์เข้ากันทีนี้ในหมู่โลกเหล่านั้น โลกเป็นที่อยู่อาศัย น, นี่ที่เรียกว่าโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมีการศึกษา ม, มีการอธิบายกันมากจนกลายเป็นระบบสุญญ์จั ก, กรวาลที่เกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มๆลมู่สัญญาแสดงว่าระบบจักรวาลมีเป็นแสนโกดจักรวาลมีเป็นอนันตจักรวาลมีอสงไขจักรวาล เลยไม่รู้นับเท่าไรอ่ะแล้วก็วานไอ้แสนโกดมันก็แย่แล้วนะหรือไม่รู้จะนับมันไม่มีตัวเลขที่จะนับหรือที่จริงจากการสังเกตว่าตัวเลขนับเนี่ยตัวเลขของแขกเนี่ยของอริยันเนี่ยมากพอมาถึงตัวเลขของเราเมื่อก่อนเนี่ยคนรุ่นก่อนเนี่ยเขานับได้ถึงโกดแต่ว่า สังคยาปัจจุบันเนี่ยจะนับเป็นล้านเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักคําว่าโกดอาจจะสิบล้านยีสิบล้านเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านล้านล้านสามสี่ครั้งแต่เขาไม่นับเป็นโกดเป็นโกดเป็นปฏิโกธเป็นปฏิ ป, ปฏิโกธแล้วก็ปฏิซ้อนกันสามครั้งอีกทีหนึ่งปฏิปฏิปฏิโกธ นเป็นเน่าหุดเป็นตรีน่าหุดเป็นอะไรแต่ละพูดมากมายแก่กอนนับกันในวาดในว่ า, วาแล้วสรุ ป, ปรมากนานยาวสูงอะไรก็ตามที่มันมากๆทีนี้ภิกษุก็มากราบทูนพระพุทธเจ้าก็เป็นคำนองขอทราบอินนฉัยอ่ วความคิดเห็นของท่านเหล่านี้เป็นยังไงพพุทธเจ้ารับสั่งว่าภิสูุทั้งหลายอัญญดิเรกฉีปริภาชกเป็นคนตาบอดคำาตาบอดในที่นี้หมายถึงตาปัญญานะคือปัญญาไม่ได้มองเข้าถึงสารัฐรที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นก็ แ, แสดงว่า ไม่มีจักษุคือขาดปัญญาจักษุขาดตาปัญญาแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเพิงสังเกตว่ามีตาอยู่ห้าตาจะระ ส, สุดสรงเสริญพระพุทธคุณกันว่าพร้อมเบนจะพิธจักสุจรัตที่มนใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนกุบประจักษ์ิตจึงก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยประจักษุนี้ห้าประการ ก็คือหนึ่งมังสะจากสุจักสุคือตาเนื้อธรรมดาลแล้วก็สองปัญญาจากสุคือตาปัญญาสามทิพย์จักสุคือตาจิตที่สามารถมองเห็นไกลไปในกี่โกจั ก, กรวาลก็ได้มีพระประสงค์จะมองก็จะเห็น แล้วก็พุทธจักสุคือตาของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นจริงอย่างไรก็จะเข้าถึงความจริงตรงนั้นแล้วก็สมัญตจักสุคือตัวสัพพนิพพยานที่ลงได้จดสรุเพื่อนคำว่าตาบอดก็ดีคำว่าไม่มีจักสุก็ดี หมายถึงไม่มียา น, นไม่ใช่ว่าปฏิเสธเขาว่าไม่มีปัญญาได้เล ย, เลยง้อเง่าต่อตุนไม่ใช่ปฏิเสธขนาดนั้นนะเพราะว่าจักษุเหล่านี้เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่งความคงนึกออกถึงพระพุทธ์รรรัตที่ตรัส ในธรรมจากกัตตันสูตรมีอยู่สองสามแห่งในช่วงแรกเนี่ยทรงใช้คำว่าจักขุกรณียานากรณีไอเนี่ยเป็นตาเป็นตาปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำลายอวิชชาทาาั้งจักขุทั้งญาณนะนะทีนี้พอเกิดแล้วมันเกิดอุปสมายาคือกิเลสมันสงบมันสงบความรู้ก็เพิ่มขึ้น กกระแสงสว่างเพิ่มขึ้นเนี่ยความมืดความมืดก็หายไปเพิ่มขึ้นถึงใช้คำว่าอภิญญายะคือความรู้ยิ่งขึ้นพอจนถึงจุดหนึ่งก็สมโบธาญาคือ ส, สรุปแล้วก็นิพพานาญ็คือนิพพานเพรา ะ, ะนั้นคว่าจะคุ ก, กนีก็ดีญาณะนีก็ดีนะฮะอภิญญายะก็ดีสมโบธาญาคิดดีแล้วก็เป็นตัวปัญญาที่เกิดผุดขึ้นภายในพระทัยของหลวง พอเกิดแล้วก็ทาหน้าที่สงบทิเลตจนถึงกระดับทิเลตตอนสงบเนี่ท่านเรียกว่าอุปสมายะตอนดับนี่ท่านเรียกว่านิพานแล้วตอนที่ส่งอธิบายนิโรธประส่งอธิบายลักษณะของพระไถ ท, ที่เรียกว่าดับตัณหานั้นสละตัณหานั้นถ่ายถอนตัณหานั้นกายคืนตัณหานั้น แล้วก็พ้นจากตันาเหล่านั้นโดยไม่มีอนาลโยคือไม่มีความอะไรในตัณหาที่ลาเลยแล้วพอตอนอธิบายถึงลักษณะการศัสรู้ก็ทรงใช้คําห้าคําแปลว่าจะขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างจากคุ้งดาปาริยานังดาปาริปัญญาอดาปาริวิชาอุดาปาิโลโกอุดาปาิ จกขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราคือปัญญาระดับนี้ยานระดับนี้วิชาระดับนี้มันไม่มีปนในจิตใจของท่านเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธท่านทุกสถานะแต่พูดง่ายๆว่าปัญญาระดับโลกุตระ เพราะความรู้ทั้งหมดที่ท่านเฉียงกันเนี่ยมันเป็นความรู้ระดับโลกุตระแต่ว่าท่านก็ไม่มีปัญญาระดับนั้นแล้วท่านก็มาเทียงกันเหมือนการเทียงใันแบบตาบอดคำชา้างเนี่ยที่เคยเล่าความก่อนก็นรสงรงปฏิเสธสถานะของท่านว่าหนึ่งก็คือตาบอดสองก็คือไม่มีจักษุการไม่มีจักสุในที่นี้เน้นไปที่ปัญญาจักษุ คือปัญญาจากสุจริงๆจงสำเร็จกิเลสได้นะหมายความเมื่อเขาเกิดแล้วเขาก็ทำลายโมหะเมื่อโมหะก็ดับในกิเลสประเภทต่างๆก็ดับเพราะนั้นก็เน้นปัญญาระดับนี้ว่าปัญญาระดับเนี้ยเขายังไม่ถึงย่อมไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความชิบหายไม่ใช่ประโยชน์ คสองด้านหน่ยเราสังเกตว่าที่จริงตรงเนี้กุศลธรรมากุศลธรรมารประโยชน์คือกุศลธรรมประรวความผิดผ a l ไม่ใช่ประโยชน์คือพวกอกุศลธรรมเราเห็นว่าอย่ากพวกอบายมุกทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทางทผิบผายที่ไม่ใช่ประโยชน์ทำไมโบราณจะเรียกว่าสายเสียซึ่งประโยชน์ แล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นก็คือการงดเว้นการงดเว้นจากอบายมุขการรักษาศีลห้าเป็นประโยชน์การละเมิดศีลห้าไม่เป็นประโยชน์การดําเนินชีวิตไปตามหลักของกุศลกําบดเป็นประโยชน์การไม่ใส่ใจศึกษาประพฤติปฏิบัติไปตามหลักของกุศลกําบดเป็นความผิบหายที่ไม่ใช่ประโยชน์ แล้วก็ไม่รู้จักทำไม่รู้จักสภาพมิใช่ทมอันนี้ก็เหมือนกันนะคําว่าทำนั้นหมายถึงกุศลธรรมสภาพไม่ใช่ทำหมายถึงอกุศลละธรรมแต่เดี๋ยลืมมาในแง่ความจริงเนี่ยคือถ้าเรียกคู่เนี่ยเขาเรียกกุศลกุศลธรรมอกุศแลแธรรมเพราะกุศละธรรมพวกอกุศลธรรมจริงก็กเป็นธรรมเหมือนกันแต่ว่าธรรมของผู้ ไม่ฉลาดคือโง่คืออย่าลืมเมื่อกิ่งก้านของวิชากับ ว, วิชาเนี่ย<ม>ก็แตกมาในสัดส่วนที่ทัดเทียมกันก็เป็นปฏิบัติต่อกันอย่างโลภกดหลงฝ่ายกุศละธรรมก็ไม่โลภไม่กดไม่หลภฝ่ายอากุศละธรรมมีนิวรณห้า ฝ่ายกุศลธรรมก็มีรูปไปฌานหา้าเป็นเป็นตัวแก้กันอยู่ด้วยไประกบกันไปตลอดจนไปถึงโน้นแหละจนไปถึงว่ารากงาวของอกุศลก็คืออวิชารากงาของกุศลก็คือวิชาพอพอวิชาปรากฏมันก็ทำลายอาวิชาหมดไปอย่างสิ้นเชิงเป็นญาณปัญญาที่รู้ยิ่งทำความเป็นจริง ันคำสอนระดับของอัญญาเดียถีเนี่ยมันไปไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็เมื่อไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความทิพไายไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักสภาพที่ไม่ใช่ธรรมแล้วก็เถียงกันคืออย่าลืมอย่างที่เคยบอกไว้ว่าคนที่ทะเลาะกันที่เถียงกันเนี่ยที่จริงโง่ทั้งคู่คนไม่รู้ทั้งคู่อะที่เถียงกันนี เพราะถ้ารู้กับรู้เนี่ยเขาจะไม่เสียงกันรู้กับไม่รู้เนี่ยที่รู้จะไม่เฉียงคนที่ไม่รู้ท่านบอกให้เขาไม่เชื่อกระจกเฉียงไปก็ป่วยการไม่ได้ประโยชน์อะไรก็อย่างที่หลวงพ่อท่านหนึ่งท่านต้องการสอนลูกศิษย์แต่ก็ให้เด็กตัดไม้ไผ่ร่องยา ว, ยาว แล้วไข่ชาญมากใส่ลงไปแล้วก็ปิดจุกไว้ท่านบอกว่าเป็นตัวอุบาทรู้สึกก็ขอดูท่านก็ให้ดูแต่มีข้อแม้ห้ามเททิ้งห้ามเ ท, ทลงมาเพื่อดูมองไปจากเปิดจุกมองลงไปเลยแล้วก็ดูซิว่าตัวอุบาทเนี่ยมันเป็นยังไงปรากฏเราลูกศิษย์ก็เฉียงกันเป็นการใหญ่อะ่ะไม่มีใคร ยอมใครกันเลยเพราะอเพราะต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างไม่เห็นเมื่อไม่รู้ไม่เห็นก็คิดเอาก็กลายเป็นต่างคนต่างคิดแล้วก็เสร็จแล้วต่างคนต่างพูดพอพูดไปตรงกับที่ตัวเองคิดเนี่ยพอดื่นพูดไม่ตรงตามใจตัวเองคิดก็เถียงกันทีนี้ถ้าเรามองในมิติของธรรมะที่มันเป็นรูปธรรม ความไม่รู้คือวิชาหรือโมหะอยากรู้แต่ไม่รู้อยากรู้แต่ไม่รู้ก็ไปค้างอยู่ที่สงสัยคือโมหนะนมันกลายเป็นสงสัยพอปัจจัยมากเข้ามันก็กลายเป็นอุปาทานคือยึดติดเดีวกลายเป็นทิดถูกอุปาทานคือถือมั่นเดือดิตจิตคือความเห็นก็ตั้งคนต่างอุปาทาน่ะต่างคนต่าก็ยึด จริงก็ไม่รู้ด้วยกันและในสุดก็เฉียงกันจนทะเลาะกันไปกันอาจารย์ก็เจริญชานมากจากกระบอกไม้ไผ่ดูทุกคนก็ขำตัวเองนะฮะตลกตัวเองทีนี้คนบางคนเนี่ยไม่ค่อยมองประเด็นตรงนี้แล้วก็พยายามไปเฉียงในเรื่องที่เราไม่รู้ คนเราถ้าไม่รู้ไม่ชี้นะแล้วก็รู้ก็ชี้ไปเท่าที่รู้แล้วถ้าไม่รู้ถ้ารู้ก็ชี้ไปเท่าที่รู้ถ้าไม่รู้ก็อยา่าชี้ปัญหามันก็ไม่มีแต่ที น, นี้ที่ยุ่งเหนือคือว่าไม่รู้แล้วก็ไปชี้ เรารู้แต่ก็ไม่ยอมชี้หรือบางทีก็ชี้เกินที่รู้เพราโดยหลักจริงๆแล้วเราก็ชี้เท่าที่เรารู้ถูกผิดเราคงไปประกันอะไรมากไม่ได้เย่งไปบอกว่าข้อนี้ท่านแสดงไว้อย่างนี้ข้อนี้ท่านแสดงไว้อย่างนี้ ทีนี้พอทะเลาะ ก, กันเนี่ยธรรมชาติของการทะเลาะเนี่ยต้องการเอาชนะค้าขานกันแล้วมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะไม่มีใครยอมใครฝ่ายหนึ่งก็ต้องการชนะฝ่ายหนึ่งก็ต้องการชนะที่พระโมคคลานะพระเจ้าทรงแสดงประธานโอวาทแก่พระโมคคลานะว่าโปรดไม่สนเสริญกัน ทุ่เทียงกันเพราะว่าเวลาทุ่มเทียงกันต่างฝ่ายต่างก็จะเอาชนะเราเสร็จแล้วก็จะคิดมากเราคิดมากก็ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านก็ไม่สมบูรณ์ในสมบูรใจก็จะห่างจากสมาธิแล้วในสุดก็จะภูมใจไม่อยู่แต่ว่าจะก่อการทะเลาะวิวาทกัน ในในสุดมันก็ออกมาอย่างนี้ทรงแสดงเนี่ยก็บาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันวิวาทะนี่แปลว่ากล่าวต่างกันในแง่ก็ความจริงแล้วไม่ใช่ต่อยกันนะฮะไม่ใช่ทะเลาะกันแต่ว่าเราเอามาพูดคล้ายๆกับคนมันต่อยกันเรียกว่าคนวิวาทกันแต่วิวาทะเนี่ยแปลว่าพูดไม่ตรงกันวิวาทะก็คือการพูดวิก็ต่างกัน วิวาทะก็คือพูดต่างกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยกลายเป็นวิวาทะเช่นว่าเสียงอันนี้เป็นธรรมอันนี้ไม่เป็นธรรมอันนี้เป็นวินยัยอันนี้ไม่เป็นวินัยอันนี้พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อันนี้พระพุทธเจ้ า, นนาไม่ได้บัญญัติไว้ตรเนี้ท่านเรียกว่าเป็นวิวาทะพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิวารรมูลเหตุได้เกิดวิวาทมันก็เป็นกิเลสทั้งหมดเลย ความโกรธความปูกโกรธโธโนอุปนาหีมักขีการดูหมิ่นปราศีการตีเสมออิสุกีความลิษยามัชรีความสนีทในสีเรื่องนี้ทำให้คนกล่าวต่างกันแล้วก็ในที่สุดก็คนปลือําบุบบาเิอกิเลสไปด้วยกัน ขณะเข้าวมันก็พูดจาทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเรียกมุขสติหอกปากใจทิ่มแทงกันทําเป็นเช่นนี้ทําไม่เป็นเช่นนี้ทําไม่เป็นเช่นนี้ทําเป็นเช่นนี้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้ยคือบางอย่างเนี่ยเรา ไปยึดติดในรูปสั์ไปยึดติดในรูปสัพท์แล้วก็ไปคิดว่าต้องต้องเหมือนกับที่ฉันว่านี่แหละถ้าไม่เหมือนกับที่ฉันว่าไม่ได้เชนเมื่อก่อในรายการนี้ก็ตอบปัญหาวันอังคารเนี่ยมีโยงก็ถามมาว่ามีนักเผยแผ่ธรรมะที่เป็นคือหักเขาบอกว่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ย ไปเรียกว่าพระสมมาสัามพุทธเจ้าไม่ได้ต้องเรียกว่าราหันตะสมมาสัามพุทธเจ้าคือเขาก็ไม่ได้ไปเสดอะไรอ่ะแต่ว่าไปปฏิเสธสมมาสมพุทะนี่ไม่ได้เพราะสมมาส ม, าามุทธะเป็นพุทธคุณรหันสมมาสมพุทโตนะฮะเขเห็นว่าเป็นพุทธคุณเป็นการแสดงถึงปัญญาคุณเขาก็เรียกได้ก็เรียกชื่ออะไรก็เรียกได้ เรียกโดยความเคารพแล้วเรียกขึ้นมาเองก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเรียกว่าพระพุทธองค์อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีคำเรียกหรือว่าท่านเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุที่มรณภาพไปแล้วจนคุณชุมเมธาทิปดีนกนเรียกดยความศักดิ์สิทธิ์ท่านน่ะเรียกว่าสมเด็จพ่อจันเป็นสุขที่จะเรียกอย่างี้ ท่านอยู่ใต้ตนโพมานานยี่สิบหกปีท่านก็ซึ้งก็บท่านท่านก็เรียกสมเด็จพ่อไม่ได้แปลกอะไรในการเรียกด้วยความครุขพระเจ้ามีพระนามเป็นอันเอกเรียกยังไงก็ได้ก็ตามที่สะท้อนได้เห็นถึงพระปัญญาบ ร, าราิสุทธิ์กรุณนาสมเด็จพ่อเป็นการแสดงเห็นถึงความการุณาเราไม่ได้เสียหายอะไร และจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งเป็นพระพุทธรูทานะพระพุทธรูปานลักษณะนี้ถือว่าเป็นการมองภาพว่างรวมๆกันไปไม่ได้เจาะจงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเป็นทิฏฐิที่มันเผยแพร่กันอยู่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกที่ท่านสามบดีพรมมาคว้าพระพุทธเจ้าก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง เวเนี่ยชิตชิอิิที่มันวิ ป, ปลาสเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะ้วยก็ขอให้พระพุทธเจ้าได้อาศัยความรู้หนาชี้ทางที่ถูกต้องแก่สโลกแล้วเพื่อกระจัดเอทิธิที่วิปปริตรเหล่านี้ออกไปพระเจ้ารับสั่งว่ามูสัตว์นี้ขวนขวายแล้วในชิตชิว่าตนในโลกเราสร้าง ตนและโลกเนี่ยเราไปผู้สร้างถามว่าเราไหนแต่พระเจ้าของเราพระเจ้าองค์ไหนนะคือมันก็เสียงกันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วในสุดโลกใบเดียวเนี่ยว่าพระเจ้าองค์ไหนสร้างถ้าจะต้องการให้คนอื่นก็ยอมรับว่าโลกตนเนี่ยเราไปผู้สร้างพราถามว่าเราไหนพระเจ้าองค์ไหน สร้างยังไรแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้และปุรุชาติ ก, ก็ทะเลาะกันเองทีนี้อีกผู้หนึ่งประกอบด้วยทิฏฐิว่าตนและโลกผู้อื่นสร้างเอาผู้อื่นสร้างคือใครเห็นว่าผมมีผู้สร้างแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาทันเทียเขาถือว่าเป็นปรากฏการณ์เขาทให้ชาติรับ คือธรรมชาติเด็มันเกิดมาก่อนสิ่งมีชีวิตโลกมันเกิดก่อนสิ่งมีชีวิตแต่การให้สิ่งมีชีวิตเกิดก่อนโลกและเป็นผู้สร้างโลกเนี่ยปัญหาว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ตรงไหนมาก่อนเมื่อไม่มีโลกเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่มาสร้างโลกนอยู่ที่ไหนยินอยู่ยังไงแล้วก็เอาวัสดุอะไรมาสร้าง อมาจากไหนแต่ถ้าเป็นกระบวนการก็ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นได้ทั้งนั้นโดยเห็นว่าพวกภูเขาพวกอะไ ร, ะไรต่างๆอย่างเมือก่อนดูสมเด็จพระพี่นางสเสด็จคุณหญิงป่าภูเขาที่มีตั้งอะไรอ่ะสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร โอโหกว้างขวางมหาศาลเดี000 000 000๋ยวเขาอธิบายว่าเมื่อสองร้อยเจ็ดสิบล้านปีที่แล้วเป็นเป็นทะเลเพราะมันก็อธิบายได้อธิบายได้ถ้าเป็นกฎแบบธรรมชาติเนี่ยอธิบายได้ แต่สสิ่งมีชีวิตมาสร้างสิ่งที่ใหญ่โตหมู่ลานอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าอธิบายยังไงคือไม่มีเหตุมีผลที่จะอธิบายแต่ถ้าถือวัรแนวไปไปคล้ายๆกับปฏิกิริยาทางเคมีนะฮะสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นผสมกับสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแต่จะอะไรก็ว่าแล้วก็ผ่านการเวลามาถึงจุดนั้นเป็นอย่างนั้นจุดนั้นเป็นอย่างนั้นก็ว่ากันไป ต่จริงมันเป็นเรื่องข้องง่ายไกลตัวนะฮะเป็นเรียกว่าโลกะจินตาโลกะจินตาเรื่องโลกเนี่ยมันไกลตัวเป็นยุ่งันทําทำไมวันก่อนไปที่จังหวัดนครก็รมีญาติโยมแต่งชุดรู้สึกจะชุดแดงนะวันนั้นไปนชุดแดงลงจากรถญาติว่าซึ่งเป็นลูกศิษย์เขาก็บอก บรเวเนี่ยมีคนคก็ฝันว่าย ม, มาบาลจะมาเอาพวกเมืองนะครศรีธรรมราชไปย ม, มโลกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตบ้านร้านถิ่นทั้งหลายที่อยู่ในภาคต่างๆของประเทศโดยเฉพาะร่างทรงทั้งหลายนี่เป็นห่วงจะ ม, มาทำพิธีบวงสรวงเธอก็บอกเขาว่าเออก็ดีเหมือนกันนะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ บ้านชาวซ่องก็ได้ขายขนมลมเลยกันก็มันเป็นความเชื่อแต่ว่าเรามองอีกมุมหนึ่งแล้วก็ส่งเสริมกันทางเที่ยวแล้วก็ทำให้ญาติโยมเหล่านั้นซึ่งไม่เคยไปกไ็ไปไหว้พระมรสาลิกธาตุด้วยไหว้ภูญญาฐานต่างๆเยอะแล้วก็ดีไปเราลือบางอย่างเนี่ยก็ ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นเตือนคนทำความดีทีนี้รับสั่งว่าสำนับพราหมวกหนึ่งไม่รู้จริงซึ่งทิฏฐินั้นไม่ได้เห็นทิฏฐินั้นว่าเป็นลูกสอนคือคือเนี่ยอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระมาลุงกับุตร มันมีทิฏฐิคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่อยู่ในอของท่านนั้นไม่มีคำว่าตนแต่มีว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดที่ประเด้นและอันนั้นที่ปเด็นอื่นเชื่อันเด่ก็ทรงแสดงว่าเหมือนลูกศรนนะลูกศรที่กำทราบระยะคิดแล้วก็แทงข้าวภารกิจของเราก็คือรีบถอนลูกศรมันไม่ใช่ไปใส่ใจรู้ว่า ท้อการรู้ว่าเออใครยิงยิงมาจากไหนลูกศรทําด้วยอะไรอยู่ในสกุลอะไรใช้ยาพิษอะไรทําไมจึงยิงเ อ, อเสียเวลารู้ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหน้าที่ของเราก็คือรีบถอนลูกศรเนาะเพราะว่าเราพอรู้แล้วพอเสียงกันแล้วเนี่ยไม่มีใครกลับไปย้อนพิสูจน์ได้ แต่เราตปัญหามันเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดประโยชน์อะไรใล้ายๆกับมีคนบางคนที่สอบถามเมื่อก่อนก็มีโยมมแสดงเป็นผู้ชายนะฮะคือคื อ, คอดูตัวอักษรแล้วแสดงอารมณ์รุนแรงมากเห็นหนังสือกดกระดาษเกือบจะทะลุเนะะี่ยแล้วเคยเจอคําถามของโยมคนนี้สองสามครั้งนะถามชอบคนนะฮะ แสดงว่าไม่เคยผ่านการศึกษาการค้นคว้าการบทเรียนตั้งแง่ตั้งมุมมาเล่น ง, งานพระพุทธเจ้าหรือแกไม่เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าว่ะประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้เจดเก้ามันก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าไม่เคยอ่านพุทธประวัติเพราะการประสูติด้วยพระบาทแล้วไปเดินได้เจ็เก้าเนี่ยมันเป็นไปชั่วขณะสั้นๆ แล้วก็ก็กลายเป็นราชกุมารก็นอนอยู่บนเบาเนี่ยมันเป็นบุพนิมิตที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของบุญญาธิการเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยตอนประสูติจากพระคันมารดาเนี่ยเป็นสูตรเลยนะหรือต้องเอาพระบาทออกเราต้องประสูติในป่าแล้วก็เทวดารับก่อน แล้วก็มนุษย์รับเมื่อมนุษย์วางไว้เนี่ยจะเดินด้วยประบาทด้เจ็ดเก้าแล้วก็เปล่งวาจาเป็นสุภาษณ์นี้ไม่ได้ท่านอธิบายไว้ถ้าไม่ถึงจุดนั้นคนคนนั้นจะไม่ได้จัดรรู้เป็นนื้อคุณนเจ้าก่อนเป็นการแสดงความแก่รอบของบารมีเพราะเราไปตั้งแง่ตั้งมุมว่าพิสูจน์มื่อก็พิสูจน์อะไรล่ะพเจา้าตนนิพพานเแล้ว แต่ถ้าเราเชื่อเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาค้นคว้าออกไปเป็นเรื่องส่วนพระองค์คือว่าการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าพระเจ้าจะเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าหรือไม่อ่แต่ว่าทุกๆจริงสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยจริงอันนี้รสอันนีรสจริงมรรคมรจริงอันนี้คือเรื่องใหญ่ที่เราต้องรับผิดชอบแต่เราไปยุ่งเรื่องไกลตัว แล้วก็เสียเวลาอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นลูกศรที่เสียบรึงเอาไว้ก็เมื่อผู้พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งความเห็นอันวิปริตนั้นว่าเป็นลูกศรเป็นดุลลูกศรความมินว่าเราสร้างย่อมไม่ปรากฏแก่ผู้นั้นคอามมว่าผู้อื่นสร้างก็ย่อมไม่ปรากฏแก่ผู้นั้นเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าถือว่าเราสร้างมันจะไปกระตุน้นมันเกิดมานะมันเกิดอาหางการมามังการขึมามาาร้นเพราะเราใหญ่อะมันก็เหมือนกับนักการเมืองอะอเป็นรัฐบาลอะไรก็สร้างพัฒนาอะไรด้วยงบประมาณแผ่นดินะ่ะไม่ได้จ่ายสตางค์ตัวเองตัวเองเขาก็จ้างให้มาทำงานด้วยก็ให้เงินเดือนเยอะด้วยแล้วไปคุยอะ คุยเครื่องลูกหลานก็บอก น, นี่พ่อเราสร้างอันี้ลุงเราสร้างนี่ญาตเราสร้างก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยแต่บางทีเขาชื่อตัวเองไปสร้างเป็นสะพานเป็นถนนไปอะไรต่างๆคืออัตตามันเขื่นขึ้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่า ทั้งการอ้างว่าเราสร้างโลกและ ต, ตนเนี่ยโลกและตนเราสร้างหรือว่าตนโลกและตนเนี่ยคนอื่นสร้างเขาไม่ยอกพูดหรอกเราพูดอย่างนั้นเป็นนอกจากโกหกแล้วเน่นอนอกจากไม่รู้จริงโกหกแล้วก็ก่อให้เกิดกิเลสกอให้เกิดมาณว่าเราเป็นผู้สร้างโลกแล้วก็ตั้งหน้าตัาง้งทวงบุญทรงคุณจากชาวโลก นานมาแล้วนะฮะหลายปีแล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ามาฟังเทศก็ตั้งตจกับอะไรครับกระปูนะฮะปูใหญ่แล้วถึงแม่กับพ่อตอนนี้ก็เป็นนายทหารยศอะไรไปแล้วก็เทศเสร็จก็ลงก็เดินผ่านเทวก็แวะคุยเรียนโรงเรียนศาสนาคิด ถามเป็นไงหนูคูก็ให้อาเมนไหมอเมนขอบคุณพระเจ้าไหมขอบคุณเวลากินข้าวเนี่ยถามว่าหนูเชื่อหรือเปล่าพระเจ้าให้อาหารกินแกก็สงสัยอ่ะเด็กถามม่าหนูเคยรู้ว่าข้าวสารนี่มาจากไหนแกไม่เข้าใจนะเด็กเด็กเมืองหลวงเขางเมื่อเคยเห็นคนทานาแล้วก็เล่าให้ฟังบอกมันเริ่มจากเขาไถนานแล้วเขาหวานนะหวานแล้วเขาปักดำ น้ำน้อยเขาก็เปิดน้ำเข้าไปน้ำมากเขาเปิดน้ำออกรอจนข้าวตั้งท้องจนสุกเดือเกี่ยวลงลานแล้วก็สีแล้วก็ข้าวสารก็ไปอยู่ตามร้านขายข้าวสารพอถึงร้านขายข้าวสารเด็กก็คิดออกเราถามว่าใครซื้อข้าวสารแม่ถามใครหุงข้าวแม่ใครตักข้าวให้หนูกินแม่และพระเจ้าที่ให้อาหารหนูนี่คือใคร ไปเจ้าแม่ไปเจ้าพ่อใช่ไหมไใช่อันนี้คือเราจะเห็นว่ามันเกิดสมุข ค, คุนถ้าเราคิดอย่างงั้นสมุข ค, คุนต่อต่อพ่อแม่แต่ว่าถ้าไปมองถึงสิ่งสูงสุดอย่างนั้นเราไม่เห็นอะเราไม่เห็นเกี่ยวอะไรกัเรา แต่สมมติว่าท่านสร้างจริงเนี่ยทำยํำไ ง, งจะมาทวงบุญทวงคุณอะไรถ้าคนจะสำนึกคุณก็สำนึกเองไม่จําเป็นจะต้องทวงบุญทวงคุณเหมก็พ่อแม่เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทวงบุญทวงคุณลูกเขาจะคารมตั้งถือเขาก็จะรับคารมตั้งถือตัวเองประมูลสัตว์นี้ประกอบด้วยมานะมีมานะานาเป็นเครื่องร้อยรัดถูกมานะผูกพันไว้ มาน่านี่มันกระจายตัวเองออกไปเป็นเก้าอย่างนคือมาน่านจะมีหลักอยู่สามเป็นผู้เลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาเป็นผู้เรวกว่าเขาอันนี้คือตัวหลักทีนี้แต่ละข้อเนี่ยจะกระจายตัวเองออกไปเป็นอีกถึงสองเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาสำคัญตัวเสมอเขาสำคัญตัวว่าเรวกว่าเขา เป็นผู้เล็วกว่าเขาไปคิดว่าเลิศกว่าเขาเสมอเขาเรวกว่าเขาส่งมันก็กลายเป็นดูหมิ่นคนอื่นบ้างยีเสมอคนอื่นบ้างแล้วก็ดูหมิ่นตัวเองก็ทำตัวเองให้ตกต่ำบ้างจนก็จนแทสเกตเขาหาว่าเมกเหล้าเมาเสกเล่เกตเลยไอย่างั้นมันก็ซ้าเติมตัวเองทำตัวเองให้ตกต่ม ดุ ถ, ถ, ถูกต่อว่าถูกตักเตือนอะไรอะไรแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองคือไปทำซ้ำมากขึ้นวลนนี้มีความรุนแรงตามการสำรวจศึกษาของแพทย์ของนั ก, กจิตวิทยาบอกว่ามีการฆ่าตัวตายมากขึ้น <S <S แล้วผู้ชายมากักจะฆ่าสาเร็จโดยการวิธีผูกคอตาย พอดูไปดูมาเนี่ยปรากฏว่าสืบเนื่องมาจากผิดหวังในความรักก็ยังนึกตลกนะโดยจนันว่าพวกสัตว์ทั้งหลายพวกแมวพวกหมาพวกไก่พวกหมูพวกอะไรตัวใกล้ๆตัวเราฮะถูกฆาคู่เยอะไปฮะแต่เราไม่เคยเคยเห็นสัตว์นั้นผูกขอตายหรือคาาตัวตายต่แสดงว่าความคิด น่าสงสารมากๆนั้นก็เกิดมาเกิดจากดูมินตัวเองมันเป็นมานะเขาเรียกโอ ม, มาณะคือดูมินตัวเองทีนี้พอเป็นอย่างนี้กระทำความแข่งดีกันในทิฏฐิทั้งหลายแล้วระยึดติดในทิฏฐิเหล่านั้นเลยไปไม่รอดตะคนเพราะอะไรเพราะว่าตัวทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวตน ประตูนิพพานเนี่ยบประตูนิพพานครั้งแรกเนี่ยมันต้องไม่มีตัวตนต้องไม่ยึดติดในขันห้าว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราต่อยังไปเข้าใจขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแล้วเนี่ยมันก็เข้าประตูนิพพ า, านไม่ได้ประตูนิพพานเป็นประตูนิพพานที่พระโสดาบันท่านเริ่มเข้าไปเนี่ย มัเริ่มตีการทำลายจักรยานทิจิหรือความเห็นเป็นในถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าความรู้สึกในลักษณะเนี้ยเช่นสมมติว่าเตนและโลกเชียงมันก็หยุดทำความดีอไม่ต้องทำความดีอะไรเลยเพราะว่าเราเกิดเป็นอะไรเราเกิดเป็นอย่างนั้นไม่มีการแปรผันแล้วไม่กลัวความชั่วด้วย เพราะตัวเกิดเป็นมนุษย์ทำชั่ว ย, ยังไงก็เกิดเป็นมนุษย์ตัวเกิดเป็นมนุษย์ทำดียังไงตัวเองก็เกิดเป็นมนุษย์เท่าไหร่กลายเป็นโลกเชียงเหยมันจะหยุดความเปียนพยายามซึวันผิดกัหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสัจทะรู้หลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสัจทะรู้นั้นเรารับผิดชอบสังสารวัตรในตัวเราเองรับผิดชอบกรรมในตัวของเราเองเ ร, รับผิดชอบสภาพจิตคือกิเลสภายในใจในตัวของเราเอง เราสามารถเลือกทางเลือกเลือกทางเลือกชี้นะฮะเลือกทิศที่เราจะไปเกิดได้ด้วยการกระทำตัวของเราเองแต่นี้ไม่ใช่มันเป็นการจับไปวางไว้ของพระผู้เป็นเจ้าตามความเชื่อถือน ะ, ะตนและโลกเที่ยงตนและโลกไม่เทียงไม่เที่ยงเพราะอะไรจะเรียกว่าไม่เทีย ในที่สุดพวกนี้ก็จะปล่อยเขาเรียกว่าสังสารสุดที่ไไก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆปล่อยชีวิตได้ผ่านไปไเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็จะบริสุทธิ์เองเนัทิฏฐิแนวแนวนี้เป็นทิฏฐิที่มีปัญหาทั้งหมดและบางคนที่แรงๆพวก เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสามประการที่เรียกว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิสามประการของท่านอาชิตเกตรตกรรมพลผู้เจ้าทรงตำหนิแรงนะฮะว่าเหมือนกับผ้ากรรมลที่ทาด้วยผมของมนุษย์ใช้ไม่ได้สรดูนแล้ว ก, กลิ่นก็เหม็นด้วยเพราะในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ในใจมนุษย์นะ ลองรู้จิตนิ่งๆล้วก็จะเห็นว่าเออเราก็มีอัตตาอยู่เยอะเหมือนกันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอย่างหนึ่งนะะความรู้สึกเป็นอัตตาตัว ต, วตวนี่ยมีอยู่แม่ในความเป็นสัตว์ทนะี่ไร้สารเพียงแต่ว่ามันไม่รู้เท่า น, นั้นเองนะท่านฟังทุกนายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาถึงเท่ยงคืที่สุดนี้นขอความจเจริญงอองามไปบูุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกหลายทั่วทั่วการสวัสดี